หน้าที่ประจำของอ่อนอ่อนมีหน้าที่จัดอาหารใส่ถาดเป็นชุดชุดเพื่อส่งต่อไปให้ญาติโยมซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังของศาลาข้างองค์หลวงตาเมื่อถาดอาหารเปล่าถูกส่งออกมาก็มีคนนำออกไปล้างทันทีบริเวณด้านข้างศาลาก็มีชาวบ้านช่วยกันแยกอาหารชนิดต่างๆออกเป็นส่วนๆของขาวของหวานเครื่องกระป๋อง แยกออกไปสงเคราะห์ชาวบ้านและนักเรียนจนหมดในแต่ละวันไม่ให้มีอะไรเหลือเก็บส่วนสิ่งที่สามารถเก็บเอาไวส้สงเคราะห์ที่อื่นได้ก็จะเก็บไว้ในกวดังเพื่อส่งต่อไปช่วยในที่ต่างๆตามความต้องการอ่อนมีหน้าที่ประจำเช่นนี้ทุกวันพอเสร็จงานแล้วอ่อนก็มานั่งพิงเสาสงบนิ่งรอเวลาที่ท่านจะเทศและจะเข้าสมาธิฟังหลวงตาเทศทุกครั้ง ขณะที่หลวงตาท่านให้พรก่อนที่จะเริ่มฉันทุกคนจะน้อมกายลงกับพื้นรับพรจากท่านตั้งจิตเผื่อแผ่บุญกุศลไปให้แก่บุพการีและผู้ที่ลงหลับไปแล้วเทพเทวดาและเจ้ากรรมนายเวรอีกทั้งยังรับพรจากท่านเก็บไว้เป็นสเสบียงในพบหน้าเมื่อหลวงตาให้พรจบเสียงสาธุดังก้องศาลาทุกคนพร้อมกันก้มกราบอย่างสวยงามเมื่อหลวงตาฉันเสร็จ ท่านจะเลื่อนบาทของท่านออกจากที่ให้นำไปแจกจ่ายกันสำหรับคนที่ต้องการข้าวก้นบาทของท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลอ่อนถือเป็นหน้าที่ที่ต้องมาทำงานถวายหลวงตาไม่ให้ขาดด้วยความเคารพและศรัทธาอ่อนผ่านการฝึกฝนด้านสมาธิมาพอสมควรจากวัดปากน้ำและเมื่อได้มาพบกับหลวงตาจึงมอบกายถวายชีวิตไว้กับท่าน อ่อนมีเรื่องเล่าให้ฟังหลายเรื่องท่านผู้อ่านผู้ฟังกรุณาพิจารณาเรื่องเหล่านี้ด้วยตัวของท่านเองเพราะที่เล่ามานี้เป็นความเห็นเฉพาะตัวของอ่อนคิดเสียว่าเป็นเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นของอ่อนก็แล้วกันนี่คือเรื่องที่อ่อนเล่าให้ฟัง